คำจำกัดความของสัมมาทิฏฐิคำจำกัดความที่พบบ่อยที่สุดคือความรู้ในอริยสัจสี 4. ดังเช่นในมหาสติปฐานสูตรที่คณิกายมหาวัครคมีพุทธพ์ว่าภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิคืออะไรความรู้ในทุก ความรู้ในทุกขสมุทัยความรู้ในทุกขนิโรธความรู้ในทุกขนิโรธคามิหนีปฏิปทานี้เรียกว่าสัมมาทิฐิคําจํากัดความของสัมมาทิฏฐินอกจากนี้ได้แก่รู้อกุศลและอกุศลมูลกับกุศลและกุศลมูลเช่นในสัมมาทิฏฐิสูตรมัชฌิมานิกายมุลปา น, นาต ท่านพระสารีบุตรกล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดซึ่งอกุศลอกุศละมูลกุศลและกุศละมูลด้วยเหตุเพียงนี้เธอชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสแน่วแน่ในธรรมเข้าถึงสัจธรรมนี้แล้วคำจำกัดความของสัมมาทิฏฐิอีกแบบ คือเห็นไตรลักษณ์เช่นในนันทิกยสูตรที่หนึ่งสังยุตติกายขันธวารวักมีพุทพจน์ว่าภิกษุเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นของไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นชอบก็ย่อมนายเพราะสิ้นเพลินก็สิ้นการยอมติดเพราะสิ้นการยอมติดก็สิ้นเพลิน เพราะสิ้นเพลินและยอมติดจิตจึงหลุดพ้นเรียกว่าพ้นเด็ดขาดแล้วและในนันทิขยสูตรที่หนึ่งสั่งยุตานิกายสลายตนาวคมีพุทธพจน์แสดงคำจำกัดความของส ม, มาติิว่าภิกษุเห็นจักสุโสตะขานะชิวหากายะมโนรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะธรมมรมซึ่งเป็นของไม่เที่ยง ว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิคําจํากัดความของสัมมาทิฏฐิอีกแบบคือเห็นปฏิจจสมุปบาทคําจํากัดความแบบนี้เป็นแบบที่มีมากแบบหนึ่งและไม่จําเป็นต้องนําพุทธพจน์มาอ้างเพราะเคยอ้างถึงมาแล้วพุทธพจน์อีกแห่งหนึ่งในมหาจัตตารีสักัสูตรมัชจิมานิกายอุปริปัณธาต แยกความหมายของสัมาธิฏิเป็นสองระดับคือระดับที่เป็นสาสะวะยังมีอาสะวะกับระดับโลกุตระไม่มีอาสะวะดังนี้ภิกษุทั้งหลายสัมมาธิฏิเป็นชไหนเรากล่าวว่าสัมมาธิฏิมีสองอย่างคือสัมาธิฏิที่ยังมีอาสะวะซึ่งจัดเป็นฝ่ายบุญอนยวิบากแก่ขันอย่างหนึ่งกับสัมมาธิฏิ ที่เป็นอริยะไม่มีอาสะวะเป็นโลกุตระและเป็นองค์มรรคอย่างหนึ่งสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสะวะจัดอยู่ในฝ่ายบุญอํานวยวิบากแก่ขันเป็นไนคือความเห็นว่าทานที่ให้แล้วมีผลการบําเพ็ญทานมีผลการบูชามีผลกรรมที่ทําไว้ดีและชั่วมีผ ล, ม, ผลมีวิบาก โลกนี้มีปรโรกมีมานดามีบิดามีสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมีสมณพราหมู้ประพฤติชอบปฏิบัติชอบซึ่งประกาศโลกนี้และประโลกให้แจมแจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองมีอยู่นี้แหละสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะจัดเป็นฝ่ายบุญอำนวยวิบากแก่ขัน สัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองมัคเป็นไนคือองมัคข้อสัมมาทิฏฐิที่เป็นตัวปัญญาปัญญีสีปัญญาภะรรมวิจัยสัมโพชงของผู้มีจิตเป็นอริยะมีจิตไรอาสวะ ม, าะมีอริยมัคเป็นสมังคีผู้กำลังจเจริญอริยมัคอยู่นี้แล สัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรค